k i t i s m a a n c a a n d a k a s a t a a s a a s u n y a p a s a t i s a Iha s a r i u t a r u a m u n y a s u n y a t a n i a r a r u a abe t a s u n y a s u n yata ya na be t a s a r a Ya r u a s a s u n y a taya sun. นทุกเรื่องเลยไม่เก่งเนื้อเก่งตัวเนี่ยให้ยับเนื้อให้ยับด้วยลองดูสังเกตดู รู้กายอย่างนี้รู้กายก็ปรับกายปรับใจทุกขนาดนะไม่ใช่ว่าเวลามาปฏิบัติอย่างนี้คือชีวิตประจําวันของเราเราจะยืนเดินนั่งนอนทุกท่าอะไรนั่นก็ขยับดูดูทั่วถึง่ด้หมดเล ด, ดูทั่วถึงไดไม่เกรนะเกรนตัวหลังเอวมันจะยืดหลังยืดเอวมันจะคลี่คขายเนี่ยทํ า, า บ, บําบัดนั่นแหละแก้ทุก บ, บําบัดหรือแก้ทุกันเดียวกันนะ อ่าหรือเรียกว่ารู้ทุกนะแล้วก็ละเหตุของให้เกิดทุกเนี่ยเขาเรียกว่าทุกสมุทัยละอ่าแล้วมนะก็เกิดควาสมสงบขึ้นนะอย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งทาําความสงบละอ่าก็นะหมายถึงวน่นเนี่ยจิตใ จ, จแล้วก็ดีนะมันไม่มีอะไรอ่ะนะว่างอย่างไรหายใจเข้าออกในในอ่านในการสังเกตทุกทีเป็นไงรู้สึกตัวดีไหม ความรู้สึกของเราดีไม่ใช่เรารู้สึกดูความรู้สึกเห็นความรู้สึกของเราเห็นความรู้สึกของคนจีนตัวรู้สึกสษนจีนโบราณคนจีนเรียกว่ากัปตัวตัวแถบนี้เรียกวหนอก่ กัก ง, งอจริงๆรู้ควารมรู้สึกนั่นเองนะ น, นี่ตัวนี้ก็หมายถึงว่าตัวตัวรู้ น, นั่นแหละนะตัวที่จะามารู้ควารมรู้สึกตัวมาดูควารมรู้สึกเรแต่เห็นควารมรู้สึกหรือรียวแจ้งรู้แจ้งตัวนี้ตัวรู้แจ้งนะในคำว่าตัดสู้ตัดสู้หรืออนุตตะละ คามหมายคือหมายถึงตัว น, นี้ห g อหภาษาจิงก็คืออู้เดียวนี่น่าศึกษามากเลยนี่มาสมัยโบราณเป็นพันปีไ่แล้วพันกว่ปีอย่างน้นอยนะก็เกี่ยวกับศาสนาแต่นี้คอเราไม่ได้ดูความรู้สึกเขาก็้องเขียนอักษรมา เพื่อจะให้ดูฟังรู้สึกนั่นเองเนี่ยมเมืออย่างพอจะเน้นที่ตรงนี้นะเดี๋ยวนี้เน้นตรงนี้มาตั้งสิบกว่าปีแล้วอ่ะพอก่อนนี้ไม่เห็นพอมาเห็นนี่ก็จะพูดแต่เรื่องนี้ชี้อแต่ตรงนี้จนเดี๋ยวนี้เห็นฟังรู้สึกแล้วมันช้านานเลยชินเลยเพราะเราดูมานั่งเป็นตั้งสิบกว่ายี่สิบปีแล้วนี่นกชินทีในเรื่องฟงรู้สึกเห็นฟังรู้สึ ก, สกตลอดเวลาเลย อันนี้ก็หมายถึงนี่คือเรียกว่าธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติของคนเราแต่นี้เราไม่เห็นเป็นธรรมชาติเราเห็นเป็นเป็นเรารู้สึกนั่นเองแื้ธรรมชาตินี่ก็เป็นความรู้สึกมันก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนนะมันสักมันเป็นเพียงความรู้สึกเยวอ๋อนี่ยมันรู้สึกอย่างนี้นี้นนนนนนถ้าเรามาดูให้ต่อเนื่องีมันถอนออกมาหมดเลยมันจะถอนเลย หรือเรียกคาว่าเนี่ยเขบอกให้รูๆๆ้รูปรู้นาคืออันนี้ละรู้รูปเห็นกายเห็นใจเราเนี่ยนาอย่างนี้พวกนี้จะเข้าใจขึ้ น, นะธรรมชาติหรืออันนาตาแปลว่าเป็นอันนาตาอ่ามันไม่เห็นแต่ส่วนมากเราไม่เห็นเป็นเรารู้สึกเป็นเรารู้สึกอย่างนี้มันเป็นอัตตาแล้วมีอันตาแล้วเขาเรียกว่ามีอันตา นี่ยเรียกว่าเห็นผิดนะอย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาเห็นผิดแล้วมันจึงี้มีทุกข์ถ้าเป็นเรารู้สึกอะลับหลองมันจะตองข่าว่าทุกข์ข่าว่าทุกข์นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องต้องไม่สบายกายไม่ตสบายใจถึงเวลา ส, สบายกายสบายใจมีความสุขเป็นเรารู้สึกหน้ามัานเรียกทุกข์ทั้งนั้น น, น, นั่นน่ะถึงเขาเรียกว่าอยู่กับทุกข์ตลอดเวลาเลย นะแต่ว่าสุขเขาเรียกว่าทนง่ายหน่อยถ้าทุกข์รู้สึกโอ้ดินรนนะมงยังูว่ า, าสุขเลยนะน่นงหงุดหงิดลาคาญ อ, อยากจะหนีหนีก็หนีไม่ได้อยากจะโยนทิ้งก็โยนทิ้งไม่ได้เกิดเขาอยัางจาเป็นจำใจต้งอยู่กมันมันทรม า, านเนี่ยแล้วมงไม่แน่นอนขอไปไปก็หายไปมันไม่ได้ติดอยู่ตลอดเวลาถ้าติดตลอดเวลาคนเราเป็นบ้ากันหมดอะ ตายอย่างจริ ง, รงนะเนี่ยอันนี้เขาเขามีจริงๆนี่ก็ว่าเนี่ยศูนยตาก็แปลว่าโคงนะัง่นเองโคมหรือว่านะนี่อ น, นัตตาแบบเบาอ้ว ก, ก, ก็เรียกว่ามีเราที่ให้ดูนี่ถ้าเห็นความรู้สึกมันไม่มีเราบาอ้วกนี่โอ้โอ้วกถ้าเป็นเรารู้สึกนี่มีเรารู้สึก มันหนักแล้วพอเห็นความรู้สึกมันมาเห็นความรู้สึกกับเรารู้สึกเป็นอันเดียวเลยอะไรเห็นออกมาดุยทีมันออกมาเห็นความรู้สึกก็เหมือนตัวนี้งอเนี่ยคือแจ้งนะดิโอต้องแจ้งต้องเห็นนี่แจ้งแจ้งกมานูออกมาเห็นเห็นความรู้สึกนันเีึยเรียกว่าแจ้งคำรู้แจ้งถ้าเป็นเรารู้สึกนี่มันไม่ใช่เรารู้เหมือนกันแต่มันหนัก เขเรียกว่ายึดเดี๋ยวเรียกโอปท า, านก็ได้เดียวกันใชชื่อเดียกเยอะแยะมันทำให้เรางงหรือจะอ่านหนังสือมาเลยบางทีได้ดาาดไย้ายได้ยินฟางครูบาอาจารย์พูดก็ค่พูดตางตำนานนะนี่เนี่ยแยกแย้ดูอันนี้แต่ไม่ต้องเชื่อแล้วก็ไปดูของเราเองแะไปใช่ไหมจะไม่ใช่เชื่อตามอย่างนี้แล้วก็สําคัญเอาอย่างนี้หรือทึกทักเราเลยว่าโอ้ใช่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ ต้เห็นของเราเองอย่างนั้นถึงเรียกว่าศรัทธานะไม่งม ง, งายแ <c oughs> ล้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้เราไม่ต้องไปเชื่อใครเลยมันจะเห็นของเราชัดๆใครจะพูดไงเราจะเข้าใจหมดเลยถ้ารู้อย่างนี้เราฟังธรรมะอะไรเราจะเข้าใจอ่านจะเข้าใจหมดเนี่ยโปรด้ฟังนี้ให้เห็นเนี่ยให้เห็นเป็นธรรมชาติเนี่ยทุกสุขทุกสุข เ ป, เป็นของคู่ก็ได้ความหมายตรงนี้เนี่ยเราอยู่กับของคู่มันจะมีทุกข์มีสุขมีสงบไม่สงบมียินดียินไร้าต้องการไม่ต้องกานเนี่อะไรจะจําเจรำซาอะไรบุ๋มสิ่งเหล่านี้แต่นี้ออกมาเห็นหนึ่งนี้ถ้าเห็นความจริงอย่างนี้แล้วว่าเนี่ยมันเป็นธรรมคู่เป็นธรรมชาติเป็นศักด์ก็เป็นความรู้สึกรู้สึกสงบรู้สึกไม่สงบ เนี่ยรู้สึกสงบรู้สึกไม่สงบนั่นหมายถึงเกิดจากความคิดของเรานหะถ้าเราเห็นความรู้สึกมันจะไม่มีอะไรมันจะว่างไม่มีสงบก็ไม่มีไม่สงบคือวางนานเลยยิ่งมาสงบนานละสงบที่แท้จริงเรียกว่าปกติคำาปกติองนะหรือเรียกว่าจิตผองแพ้วจิตใสสะอาดเงี้ยไม่มีอะไรในจิตใจไม่มีอะไรไม่มียิ่ดียิ่ไ สุขก็ไม่มีทุกข์ก็มีแตะดูให้ดีๆนะยี่งกว่าสุขนั่นแหละความสุขที่แท้จริงถ้าเราอยู่เนือความสุขความทุกข์นั่นนะเห็นความสุขความทุกข์นั่นแหะนั่นแหละเป็นความสุขที่แท้จริงไอ้ที่เรายังต้องการสุขทุกเนี่ยเนี่ยมันจะผอมกู้ถ้าอะก็สุขเก่งก็เนี่เอาทุกไปด้วยเห็นไหมมันก็ยังมีทุกมีสุขอย่างนั้นนะแต่ก็ยังมีอยู่เพราะยังหลงอยู่ ให้เราเห็นโอ้มันก็สักว่าเป็นความรู้สึกก็เดี๋ยวนี้มีสภายก็รู้ไม่สภายอย่างนี้แม้มันหงุดหงิดลำคาดเออพอเห็นมันก็จะขายได้มันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ไปเพิ่มนะถ้าไม่เอาแล้วเราพอรู้สึกลำคาไปเรารู้สึกลำคามจะคิดหาเหตุผลยิ่งลำคาใหญ่ยิ่งหงุดหงิดใหญ่หรือเกิดโกรธเคืองหรืออาฆาตปริบารก็ยิ่งรุนแรงขึ้นหรือโกรธก็ยิ่งเพิ่มความโกรธขึ้นอีก เขายิ่งรู้เหตุผลก็โอ้ทำไมต้องอย่างนั้นทำไมนี่เราไปปรุงแต่งมายิ่เอาใหญ่เลยเหมือนเราใส่ปืนใส่ไว้ก็ดีแต่เราไปหยุดดูเฉยๆถึงจะเกิดความรู้สึกก็เรายังไม่รู้เท่าทันเราไปเฉยต่อความรู้สึกอ้อมันก็รู้สึกอย่างนี้คนนะเอออย่างนี้เห็นว่ามันเพียความรู้สึกนั้นเราปรุงแตังขึ้นมาหนาเราเรียกวิบากกรรม นั่นเป็นบาปกรรมของเราเองที่เราคิดนึกปุงแต่งเป็นผลผลของความคิดของเรานั่นเองนะแล้วมั น, นมก็เกิดอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเนี้นนเป็นวิทยาศาสตร์นะด้านยุบิณบานนะเรเรียนวิทยาศาสตร์มานี่อย่างนี้มันต้องพิสูจน์ได้ใช่ไหมถ้าเห็นอย่างนี้ลรับรอง ทุกจะน้อยลงแน่นอนหรือเห็นมั่งไม่เห็นมั่งนั่นก็ทุกเขาจะต้องลดค่อยๆลดค่อยๆจนเห็นจ่มแจ้งหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เหนือเรียออยู่เหนือโลกเคำลกุตรละที่พระเจ้าตัดสรู้ตัดสรู้อย่างนี้นะที่ไปสอนปัญจว่าขีทั้งห้าที่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าโกฏายะพอได้รู้ทำ อ๋อสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาก็เป็นความเกิดขึ้นไแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเราเห็นเห็นความเกิดดับอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นความเกิดดับนบุญเจ้าบอกในโลกนี้มันไม่มีอะไรเกิดไม่มีดับนอกจากนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีดับก็ทุกข์เท่านั้นความสุขความทุก ข, ข์บางที่มันเกิดเห็นไหมแล้วมันเที่ยงที่ไหนนั่นแหละเป็นนั่นแหละมันเที่ยงมั น, นบบเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้ มันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ที่ทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ได้แป๊บมันต้องแปรปวนมันต้องเปลี่ยนเหมือนอย่างขาวดาหรือยอย่างอย่างนี้อย่างก็ขาวดํานี่อย่างนี้นของจีนเขาเขาบอกอิมเอียงเลยนะอมได้สว่างกับมืดเนี่ยคนเรานีมืดนะเราก็อยู่กับฟ้ามืดฟ้าสว่างแต่ให้เราโลว่าอ๋อ แล้วเขาไม่ไปงมดอิรำคาญแล้วกรู้ความจริงแล้วเรือเนี่ยอย่างนี้สัจธรรมเนี่ยเห็นอย่างนี้มันก็จะเบาเลยจิตใจแล้วก็จะเห็นก็จะถอนออกมันจะไม่ยึดเองเลยไม่ต้องไปบอกว่าอย่าไปยึดถือนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้ที่เขาสอนอบูบราณอย่าไปยึดถือเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นเราโลที่ไหนว่าเราไปยึดตั่นถือมั่นที่เรารู้สึกยึดแล้วเรารู้ที่ไหนว่ายึดม่นอมันเป็นเองอ่ะ เห็นไม่เห็นพาเป็นเองนั่นน่ะเป็นเพราะเราไม่เห็นอันนี้มันไม่ใช่คาพูดอ่ะนะหรือพูดไม่ได้แสดงไม่ได้ต้องรู้เองอย่างนี้ถึงว่าเป็นสันติิโกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติเพื่อเห็นในตนเองนี่เป็นปัจจิตังรู้ได้เฉพาะด้วยไหมเดี๋ยวนี้พอพูดหลวงพ่อพูดไปบางพอเห็นได้บ้างเนี้ยได้วเราไปชียร์นายใครว่าเออพอเห็นอย่างนี้อย่างนี้แล้เห็นอย่างนี้อย่างนี้เรา เราใช้คําพูดใชพูดได้ไหมแสดงได้ไหเนี่ยให้เรารู้อ ย, าอย่างนี้เนี่ยเกิดมาทําไมเกิดมาถ้าไม่รู้อย่างนี้เลยเสียชาติเกิดชีวิตไม่มีค่ามีราคาหรือวนันวานไปอยู่ไปวุ่นวนจะเกิดมา ท, มทนะําไมบางทีบางคนจะคิดมากเลยมากเขาไมอยากจะตายอยากจะไปให้มันพ้นๆแต่มันก็พ้นไม่ได้ไปที่ไหนก็เจอแบบนี้ทั้งนั้น น, นี่เขาเรว่ธรรมะอันนี้จริงๆเรืมันมีอยู่แล้วที่พระเจ้ากัดสั้นธรรมะอันนี้ธรรมาชาติอันนี้มันมีอยู่แล้วความเป็นอย่างนี้มันมีอยู่แล้วแล้วพระเจ้าก็มารู้อย่างนี้ทันแล้วก็มาบอกพวกเราถ้าเราไม่ได้อาศัยพระเจ้าเกิดมาแล้วมาเชยอย่างนี้เราไม่รู้เรื่องและเนี่ยรุ่นหลังมันต้องสองพันกว่าปีแล้วการพูดการแนะมันก็เลยผิดเพี้ยนนะ ในยังไม่ได้ดีโดดอย่างนี้ไปเอาแล้อย่าเอาลองทีลงเทพบเทียงมันจะคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันะแต่มันไม่ต่างกันใช่ไหมถ้าเดี๋ยวเนียพวกนี้จะเข้าใจขึ้นใช่ไหมนี่เราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อให้รู้อย่างนี้ก็เพื่อศึกษาอย่างนี้เห็น่ั้มแล้วเราต้องอย่างนี้จาาําเำใจซ้ำซาก อะไรต่างๆเกิดมาตรองทําการทํางานต้องเร่าดีต้องอะไรกว่าจะโอ้แล้วก็ตายไปตายไปแล้วก็เกิดมาอย่างนี้เราทําดีนะก็ดีดีแต่ก็ยังทุกข์อ่ะเห็นไหมบางคนทําดีแล้วก็ยังทุกข์หรือว่าดีแล้วไม่ทุกข์แต่ว่าทุกข์อ่ะค่อยๆนอนจะมาก็ยังเป็นภาระทางกิตอยู่วะนะต้องกินต้องเที่ยวต้องเดินต้องอาบน้ําต้องขี่ต้องเที่ยว ถ้ารู้อยากให้มันพ้นจากอะไรทั้ชาติที่หลังเราจะไม่หลงผิดแล้วไม่ต้องม า, มาเกิดอย่างนี้อีกนี่ไม่ต้องมาเกิดอย่างนี้ดีนะที่รู้เฉยๆรู้อะไรได้แต่ไม่ต้องมีภาระอะไรเลยนี่จะเป็นภาระตังนั้นเลยนะมาต้องหายใจเข้าหายใจออกแต่ตัวรู้เนี่ยเขาไม่ต้องหายใจเขาอยู่เหนืออาศัยอยู่ในนี้ เปรียบเทียบเหมือนกับปูเฉ๋ชวยนั่นแหละนะมันต้องอาศัยค่าหอยถ้ามันไม่มีค่าหอยมันก็ตายมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าน้อยลงแล้วเนี่ยปูเฉ๋ชวนไม่่อยมีเพราะไอ้ค่าหอยมันไม่ค่อยมีแล้วนะปูเกดมีไหมหาต่อหาดทรายะนะ อันนี้แถวบางแสนมังอัจยาเลยมีเยอะเดี๋ยวนี้สงสัยหายหมดเละตู้เชฟชวนะน่ะก็เหมือนตัวโลของเราเนะนี่ยนะไอ่นั่นะตัวไอคาบอย่างตัวมันเองถ้าถอดออกก็าตายอ น, นี่ก็เหมือนกันเป็นคาบแล้วอาศัยอันนี้อยู่ช่ไ แต่นี่พอเกิดมาเป็นคนอย่างนี้เออก็ต้องทำหน้าที่การงานอะไรก็เพื่อนะมันก็กินต้องกินต้องต้องอยู่ต้องอะไรอะไรต่างๆเนี่ยทํามาหากินก็เออเพื่ออย่างนี้อยู่ได้มันก็จะมีเพียงพอพอเพียงเพียงพอแล้วคนรรบเดี๋ยวนี้มันมีมันมันไม่มีความพอมันไม่มีความมีมันไม่พอทุกแม่ถ้ารู้อย่างนี้อ๋ออ๋อ ก็มีกินอยู่ทุกวันทุกวันอนี้ก็พอแล้วนะแนววิชาหรือหม่อมเนี่ยมีอะมีอะมีมีเครื่องอะไรอะไรก่อนนะเครื่องนุ่งห่มอาหารยารักษา อ, อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสี่อย่างนี้เรีกยกสิว่าเรียกปัจใจเศษเลยครับถ้ามีอย่างเนี้เป็นการบริหารนะพอแล้ว แล้วีมีนี่เสียทุกวันนี่เรา ม, มีมีส่วนเกินทางน้ากิเลสทางนั้นแต่ก็ไม่เป็นเราเพราะว่าเออเราก็อาศัยเพื่อเพื่อความ เ, เพื่ออาําำลยความสะดกให้เราบ้างหน่อย เ, นยเราต้องคิดอย่างนี้ถ้าคิดโอ้เราก็หาความสุขเพื่อหาความสะดกสบายนั่นทุกท้งนั้นแล้วมันจบเนียพอมีนี่ก็อยากจะมีนั่นเห็นห น, นั่นโอ้ยนี่ก็สบายนี่นก็สดุกสบายก็ไปหาสแสบงนซื้ แล้วเมื่อมาเราไปซื้อหาเยอะๆเราต้องเหนื่อยมากค้าขายแล้วก็เราเอากำไรมากๆมันถึงยางเอาหาเงินมาซื้อเนี่ยทุกวันเป็นอย่างนี้นะมันจึงเบียดเบียนอ่ะเห็นไหมเขาเรียกเบียดเบียนกันด้วยนะโดยถูกกฎหมายใช่ไหมแต่มันไม่ถูกธรรมอ่ะนี่ถ้ารู้อย่างนี้โอ้ชีวิตมันจะเรียบง่ายนะถ้าเห็นหนึ่งหลวงพ่อว่าจะเรียบง่ายนะ ราคาขายทำงานล้วก็ต้องทำไปหน้าที่ของมันดูก็ทำไม่ดีที่สุดมันเหลือกินเหลือใช้ก็เหนือ่อยก็เอามาทานนะนเนี่ย อ, อย่า ง, มามามงเมื่อคืนเนี่ยมาเทาไอ้ข่ายแล้วควรไหมควรบำรุงคอยรอเรียว่เพื่อเพื่อเพื่อมาแนะนาก็อย่างนี้ใช่ไแล้วเป็นไงนะเป็นบุญไหม า, าสบายใจว่นดี่นได้ความนี้สบายใจเนะนี่ยน่าจะบุญแหละ ได้ตาโลอย่างนี้และโอ้อยู่ที่ไหนเราโลอย่างนี้ก็เป็นแล้วก็อยู่กับบุญนั่นเองล้วก็สบายความสุขแปลว่าบุญบุญคือความหมายอยู่ความสุขนั่นเองนะอย่างคนตายาอย่างของคนจีนนตัวชูไปให้โลจนจะํมตาใช่ไหมข้างหน้าเขาจะเขียนหกอะ่ะหกก็คือความสุขนั่นเนนะะองใช่ไหมข้างหลังลอยมีกระซิวกระซิวแปลว่ายั่างยืน ให้มีความสุขยั่งยืนตายแล้วให้อยู่กับความสุขยั่งยืนจะไม่โดนทุกข์ความหมายอย่งนงี้นะเคยเห็นที่โรงใช่หไหมคบซิ่วคบ ก, ก็แบลว่าความสุขหนะึ่งแล้วทีนี้ก็อยู่ที่เราเนี่ยไม่ใช่ ต, ตายไปแล้วถ้าเดี๋ยวนี้เป็นๆถ้าไม่รู้จักมันไม่สุขหรอกให้ไปเขลียน์ยังไงก็เถอะนะถ้าเดี๋ยวนี้เรารู้ความสุขถ้าจริงๆเราต้องอยู่กับความสุขอย่างนี้เป็นไง มีทุกข์ไหมสบางเนี่ยเราก็อยู่กลางความสุขแต่เราไม่เห็นความสุขเห็นได้นะหลวตาเียเห็นได้มั้ยมีอะไรฮะเนี่ยความสุขอย่างเนี่ยไม่ใช่สุขที่เราต้องอาศัยความมีความเป็นที่สุขรองโดยไม่ต้องอาศัยความมีความเป็นขยับนึกขยับก็สบายใช่ไหมแต่เราต้องเปลี่ยนแล้วเพราะมันเพราะมันไม่เที่ยง หายใจเข้าออกรู้จักหายใจให้ถึงปอดโพงล่งอกล่องใจดีหายใจให้ถึงยังมีชีวิตชีวาดีหายใจในอิ่ม อ, อกอิ่มใจดีให้มันเหมาะแก่การแก่งงานควงแก่การแก่งงานก็คนเราเกิดมาเป็นคนมันก็ต้องทำหน้าที่ต้องรู้จักนะ <c oughs> ให้มันมีคุณภาพชีวิต <c oughs> ให้มีประสิทธิภาพมันมีคุณภาพถ้ารู้อย่างนี้ ถ้าเราย่าปล่อยให้มันสรึมสลือให้มันเบอร์เบอร์ท้อแท้เบื่อหน่าได้อย่างไงไอันนั้นมันเป็นความคิดแล้ที่ท้อแท้เบื่อหน่ายนั่นนักกีเลยทางนั่นเนี่ยทางอรมณ์อย่างนี้เราอย่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นนะนั่นก็ลงนรกพาลงนรกก็ไอความรู้สึกเนี่ยมันพาเราดีก็ได้พาาชั่วก็ได้พาเราขึ้นสวรรค์ก็ได้พาเราลงนรกก็ได้พอคิดในทางดีก็โอ้ บา อ, อกเาใจสบายใจเป็นสวรรค์นะคิดอะไรไม่ถูก อ, อกถูกใจโดนห น, น, นักอกหนักใจนันตกนรกแล้วนะนี่เห็นไนะหมถ้ารู้อย่างนี้แล้วเรื่องอะไรก็ไปขึ้นสวรรค์ลงนรกเราก็อยู่เหนือสวรรค์อยู่เหนือนรกเยดีกว่าไมอย่างนี้ตายไปไม่ตกนรกอารมอย่างี้เดี๋ยวนี้ถ้าเห็นความรู้สึกอยู่มีอะไรไหมมีไหมาดูดิ แล้วนี่ยตายไปแล้วอะไรไปเกิดอนี่คำว่าไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดไม่มีอแก่ไม่มีอะไรเจ็บมีมาตายเนี่ยตรงนี้แล้วตายไปก็เหมือนกันก็ไม่ต้องมาเข้าท้องพอ่อท้องแม่อเก้าเดือนแล้วก็คลอดออกมาแล้วก็ต้องมาดอกแดกดอ ก, ดอกด <laughs> ใช่ไหมถ้ารู้อย่างนี้มันจะไปเกิดเอาอะไรไปเกิดอาา่ะก็เหมือนอย่างเนี้ยเรานึกถึงทาง่าเขาเภาออมาเ <laughs> นี่ยอย่างนี้ก็มาเกิดแต่นี่ยังไม่เกิดดีใช่ไหม แต่ถ้ารู้อย่าเราเข้าใจอะไรหมดก็ไม่ต้องเกิดไปอะไรอะ่ะกาอยู่เฉยๆแต่ว่าจะไปไหนมาไหนแล้วก็ไปแต่เมือความรู้สึกไม่มีว่าเราต้องไปยังไม่อย่างนี้มารู้สึกว่าจะมาทําเขาพระนะฮะเราไม่ต้องมีความรู้สึกมาด้อมเสาพระเพียงนี่ยาารูไไ้ว่ารู้ว่าไปทางเขาเอาไปรู้ไปสิไปทางเขาพระมาทําเขาพระก็มาสิหรือจะไปไหนก็ไปสิถ้าไปทําธุระเดยกก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ปปไมป ตาย ไ, ไมฮเป็นภาร ะ, ะไหมนี่อย่างเงีปีใหม่เนี่ยผมจะเที่ยวเตรียนตัวแล้วว่าจะไปเที่ยวที่ไหนไหนี่ยมีอะไรของเรามีโครงการไหย <c oughs> เป็นไงหน้าบางทีนึกว่าไปพักผ่อนเพราะคนเรามันทุกข์ใช่ไหะก็คิดว่าตจะไปเที่ยวไปให้มันลืมมันก็ลืมอะไรก็มันก็ไปปรุงแต่งอย่าง อ, างอื่นให้มันสนุกสนา น, นไปถ้ามีเงินมีทองเยอะก็ไม่มีปัญหาถ้าเงินทองไม่มีพอกลับมาเรต้องทําเอาหมดแล้วหมดเงินหมดทองตอนนี้ก็ไม่มีใช่เอาละทุกข์อยู่แล้ว เนี่ยเป็นอยู่เงี้ยความชัอยู่เงี้ยการเจอยู่เนี่ยแล้วพราะอะไรใครทําให้ตัวเองทําทั้งนั้นเนี่ยเห็นการกระทํามพระพุทธเจ้าถึงสอนเดินกรรมกรรมแปลว่าการกระทานะใช่ไหมอยู่ที่การกระทําแต่เราเห็นการกระทานั่นก็เรียกว่าทําดีทําชั่วรู้ไบุญบาปจะรู้เลยได้อย่านก็อยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปถ้ารู้แล้วก็อยู่กับบุญนั่น แต่ไม่อยู่กับบาปหรอกเจ้าน่ะเราไม่ไปสร้างบาปถ้ารู้เราก็ไม่สร้างบาปก็อยู่ลงบนแต่บนเนี่ยยึดถือไม่ได้ก็บนเครื่องฝากเดี๋ยวนี้ก็สบายหน่อยแต่ถ้าตายไปอันนี้ก็ศูนย์นะไม่มีแล้วความรู้สึกสบายไม่สบายมีแต่รู้ตัวรู้ตัวนั้นเขาไม่มีอ่ะสุขทุกข์เขาไม่มีเขาเฉยเฉยเขาไม่ติดไม่ยึดตาดูให้ดีนะมันมีอยู่นะ แต่ตวันนั้นเลาเรียกอะไรไม่ได้ไมันมีอยู่นี่สรู้อย่างนี้เละชีวิตไม่มีทางสกขตามนั่นนะถึงอยากพบความสุขที่แท้จริงเป็นไงทราบซึ่งไหมนะได้ยินได้ความอย่างนี้แล้วก็อยู่ที่ตาลาดนะคุยกันนะเป็นไง <laughs> วุ่นวาย แต่อันี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราอยู่กับอะไรก็ได้นะนะเพราเรารู้ตัวแล้วก็ไม่เข้าไปเราไม่เข้าไปไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปร่วมกับอะไรอะไรนั่นเองเห็นอะไรอะไรแต่เราไม่เข้าไปร่วมเหมือนกัดูหนังดูละครแล้วก็ชอบตัวนั้นตัวนี้เราก็เกลียดตัวนั้นตัวนี้แต่เราเข้าไปร่วมเราเข้าแล้วนะหรือเล่นกีฬาเราเข้าไปนะ อไอเชียตัวค น, ค, นคนนั้นคนนี้ข้างหุ้ทางนี้นี้ก็เห็นเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นไปก็เป็นธรรมชาติทานั้นก็เป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดทาง น, นั้นนั่นสังขารแปลว่าประงแต่งไม่มีที่สิ้นสุดเลยถ้าไม่รู้จักตัวนี้แต่เราก็หลงหลาไเก็คือคนไอตัวรู้สึกรู้สึกนี่แหละนะ น, นี่แหละสิ่งที่เรให้มันรูก็เห็นเห็นได้ทั้งตัวใช่ไหมรู้ได้ทั้งตัวใช่ไหม น่าดีนะธรรมดาเราเคยรู้ไหมนั่นแหะมีสมาธิแล้วนั้นแหะสมาธิอย่างนี้ที่คนไปทําสมาธิแบบนั้นสงบมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่มีปัญญารู้อย่างนี้เขเรียกว่าสงบแบบรู้นี่สงบแบบรู้อันนั้นสงบแบบไม่รู้ก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่เห็นความรู้สึกเพราะนี้มันยังขาดปัญญาต้องให้เห็นอันนี้อยฟังหลวงพ่ตัวนี้เห็นแยกออกไหยตรงนี้ค แต่นี้แยกออกใช่ไหมว่ามันเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองไอ้นั่นเราดีอยู่แล้วอ่ะแต่ขาดปัญญาขาดไปสวยนะที่จริงเนี่ยเราถอนออกแล้วล่ะแล้วมันก็เบื่อใช่ไหมแต่นี้พอเห็นจริงแล้วก็ไม่ต้องเบื่อถ้าเบื่อก็ยังทุกอยู่ใช่ไหมก็ยันทุกข์อยู่ใช่ไหมเบื่อก็ยังทุกอยู่แต่นี้ไม่ต้องเบื่ออ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเนี่นี่หลวพ่อชี้เห็นอย่างเห็นพาเป็นอย่างนี้อย่างนะ เนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยล้วจะเอาไม่เอาก็เป็นอย่างเนี้ยก็เราเป็นคนเกิดมาอย่างนี้ก็ต้องอยู่กับอย่างเนี้ยแล้วอยู่กับมันอย่างไรอ่ะถึงจะไม่หมุดหงิดหรือไม่ลังคาถึงจะไม่ทุกข์นี่ก็โลกนั่นแหละถ้ารวมรก็คือโลกนั่นแหละเราจะอยู่กับโลกน่ะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหะทั้งในจิตใจเราด้วยทั้งข้างนอกด้วยเนีผมผม่ยเรียกว่ารู้นอกรู้ในรู้หนอกรู้ใน หอห้าทุกข์มากถ้ารู้จริงๆเป็นไงนนทนสงสัยไปเยอะอะไรเนี่ยนะนะก็ปล่อลยก็ไปตามธรรมชาติของเขาเข้าใจอะไรขึ้นเยอะเลยนะเราศึกษามามาน่ะบางทีเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราไม่เห็นแจ้งครับเมื่อไม่แจ้ ง, ม ไ, มงไม่เห็นตาพาเป็นจริงนั่นเองเขาเรียกวิวปัสสนาญาณมันไม่เกิด ปฏิบัตไม่กี่ปีแล้วปีกว่าโอ้เป็นปีกว่าก็เล็วนี่นะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเรื่องโอ้ก็นี้ก็ดีแล้วเข้าใจขึ้นแล้วนะเอะใหม่ใหมายยังเดิมก็พกยายา ม, มให้เติรนตัวกนะ็ยเติรนตัวให้เติรนตัวทำไมเติรนตัวเพื่อจะให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวเพื่อจะให้มันปรับให้มันเติรนตัวนี่คำว่ <c oughs> ารู้เนื้อรู้ตัวนะ ก็เพื่อเป็นศีลสมาธิปัญญาสะอาสวา่สงสวางสงบศีลแค่ไปปกติหรือสะอาดก็ได้สมาธิแปลว่ารู้สึกเห็นความรู้สึกมันอยู่มันไม่ถูกปรุงแต่งเนะี่ยถ้าเราไม่รู้หกมันจะถูกปุงแต่งเป็นเรารู้สึกอะอย่างมันจะมันจะเกิดเป็นอะไรไม่ต่างตางปัญญาแปลว่ารู้อ๋อรู้อย่างนี้ นี่คำว่าอาริยสัจสีแค่ว่ารู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ทางทางของความดับทุกข์นั่นเนี่ยภาพนี้ก็แปลว่าทางก็ได้เต๋าก็ได้อย่างของจีนนี่ครับของเราเจอก็เป็นสัญญลักษณ์แล้ว่าเห็นธรรมชาตินี้ก็ดีะนะเ <c oughs> นี่ยกาลังจะทําำดีๆหรือว่ามาเคเนนี้ที่ว่าให้นะให้ทําหน้าปกเป็นอย่างนี้ พระหลวงพ่ อ, พอจะพูดแต่เรื่องธรรมชาติเรื่องของคู่นั่นเองแล้วคนเราก็ติอยู่ของคู่ใช่ไหมนี่เขาเพ้อว่าเนี่ยเนี่ยมีแต่ยอดที่สุดนะตัวนี้ไม่ต้องไปมีเสียสิบเข้าไปแล้วอยา่าเชียวนะเตือนให้ถ้ารู้อย่างนี้มันจะไม่เอาเนี่ยอยู่อย่างนี้ไม่ต้องมาสายอะไรเลยใช่ไหมถ้าไม่รู้นี่ มันธรรมชาติมันก็จะเป็นไปธรรมชาติมันต้องของคู่มันต้องอยู่กับของคู่นะอันนี้หนึ่งเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคำว่าจิตเป็นหนึ่งไม่ต้องอาศัยอะไรอะไรนี่ต้องรู้สึกที่ไม่มีอะไรไม่ต้องอาศัยอะไรไม่ต้องขององาความมีความเป็นนี่ครับดีแล้วมาตีครับนะคนจะพรมใจ <c oughs> เห็นไหมที่เขามีกันเป็นไงสนุกเหรอฮะ แล้วอย่นี้าอิสเราจะไปไหนก็ได้ใช่ไหมมีครอบครัวนี่ยุ่งนะเดี๋ยวต้องครดูแลเขาต้องเอาใจใส่เขาเอาใจใส่ถ้าไม่ดีเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปมีมาใหม่อะไรต่างอู้บุญวาหมอู้เดี๋ยวนี้นะผู้ชายนี่ก็นาดูทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วนะทั้งคู่เหมือนถ้าไม่รู้นนี้นะบุญวายทั้งนั้นเลยหาความสุขไม่ได้พวกอย่างอยากอยากก็บ้า อยู่กับความบ้านะแต่ไม่ใช่บ้าอย่างอยู่อย่างตาของสารนะ่นะใชคือบ้าโลกบ้าสุขบ้าทุกนะว่างามีความเป็นนะคนเราก็อยู่กับคามีคามเป็นนะี่อยู่กับคามอยากคามีความเป็นไม่รู้นี่ก็วนเพียนอยู่นี่ เพไม่ร like ู <laughs> her, hey, ้อย่างนี้เพาะเเป็นอย่างนี้อยากนี้อยากเป็นไม่อยากนี้ไม่อยากเป็นเดี๋ยวต้องทารเดี๋ยวไม่ต้องการเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบต้องดูที่ชีวิตที่เราผ่านมาเาจานแต่งเนี่เบื่อไ้ยเนี่ยเบื่ออย่างนี้ไม่ใช่ไปเบื่องานเบืองานบางงานอันนี้เราต้องทำทําแล้วเพื่อจะรู้ตัวเออเราอยู่กับสิ่งไรทําการทํางานก็ไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่าไม่ต้องฝืนใจทำฝืนใจทํา ทำได้พอพอใจเต็มใจก็ไปเป็นการที่อเพื่อจะให้อยู่เหนือนะเพื่อจะให้มันพ้นจากสิ่งเหล่านั้นนั่นเองก็อาศัยนะั่นอยู่กับสิ่งนั้นเพื่ออาศัยเหมือกับใดที่ตายขึ้นไปนะยกกิจของเราให้สูงให้มันพ้นจากสิ่งเหล่านี้นทําเพื่อให้มันพ้นจากสิ่งเหล่านี้นก็ต้องอาศัยสิ่งนั้นดูใช่ไหมถ้าตายไปแล้วไม่มีแล้วนะอ่าเราศึกษาไม่ได้เพราะนี้ต้องอาศัยอันนี้นะ อันหนึ่งเปรียบเทียบเหมือนเรือแพอที่ข้ามวงทุกหรือทะเลทุกเนี่ยคนเราทุกนั่ะเหมือนไ้ดูเนี่ยทะเลบบยมว่ยยืนตาแหวกว่ายอยู่กลางทะเลสนุกสนานแล้วก็โอ้ทา้งทุกทั้งสุขเห็นไหมเหมือนอยู่ในทะเลแล้วไม่เห็นฟังอ่ะอันนี้เรารู้จักว่าโอ้นี่เราเพื่อจะขึ้นฝันฝันก็ผ่านนิพพานนั่นเองคือุพ้นนั่พนพ้นจากสิ่งเหล่านี้นะ ไม่ต้องมาแหวกเรียนไหว้ตายเกิดอย่างนี้จําเจซ้ำซากอยียงนี้แต่ไม่ใช่ไปเบื่อจําจเจซ้ำซากแล้วแต่นี้เราเห็นโอ้จิตขอบเกิดมาอย่างนี้นี่ก็ยังจาเจซ้ำซากไปอย่างเนี้ยแต่เราไม่เบื่อแล้วแต่นี้ก่อนมันเบื่อ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเรามาดูว่าเออจิตใจเป็นไงเออไม่เบื่อนะ่าเราพ้ได้แล้ไม่เบื่อจิตใจไม่ติดไม่ยึดมันจะเป็นคว า, ออ า, า, ามปล่อยฟวามวงไเห็นความรู้สึก มันเบาเลยนะเขาจะปล่อยเองวางเองเลยเห็นไหมไม่ใช่เราต้องไปปล่อยเราต้องไปวางเฮ้เราอย่าไปยึดถือเขาไม่ยึดเองเลยมัดูให้ดีพอเห็นตาู้สึ่งนี่เดีแล้วเราไม่มีครอบครองนั้นภาระกันน้อแต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ขอเราก็ไม่รู้อะนะเห็นไหเนี่ยถือว่ามีบารมี ถึงอยู่ก็ได้ไงไม่ไม่ไ ม, มีนะแล้วเป็นไงเดี๋ยวนี้ดูสิเละเทสนะแล้วถ้ามาเห็นอย่างนี้เราโอ้เห็นเขาอย่างนั้นอยากจะไปเป็นอย่างนั้นไหมนะนี่อย่างนี้เขาเรียกวนๆๆน่าเห็นสวรรค์เห็นนรกนะทั้งสวรรค์ก็โอ้ไปเดทเต้นไปสนุกสนานไม่น่าเอาหนะเปนเะ็นทั้งสวรรค์ทั้งนรกไม่น่าเอาทั้งนั้น เฉยๆว่างๆอยู่เหนืออะไรดูเฉยๆลู่อะไรอะไรดดีที่สุดเนี่ยผู้รู้ผู้ตืนผู้เบิกบานเนี่ยเข้าถึงภาวะเจแต่มาดูจริงๆมันต่อเนื่องแล้วนะควรไ้มต้องการไมอย่างนี้รู้แล้วจะมาปฏิบัติทำทาไมใช่ไหม คนก็ไม่รู้นะปฏิบัติไต่เชื่ออะไรเป้าหมายที่สุดคืออย่างไงก็ไม่รู้ก็ปฏิบัติแตใช่ไหมอันนี้พอเห็นเนี่ยพอเห็นเห็นเป้าหมายแล้วโอ้ตรงนี้แต่ว่าเรายังไปไม่ถึงแต่พอเห็นแหละมันต้องเห็นทางใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยเดินไปใช่ไหมเหมือนอย่างนี้มันก็เป็นแผนที่เป็นทั้งโพงอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะดูความรู้สึกก็เรียนรู้ด้วยความรู้สึกของเราได้แหละ เนะหรือไเนี่ยมันก็อยู่ที่ความรู้สึกกันหมดเลยเห็น ไ, ไหนอย่างนี้เคยได้ยินไมมีมีใครสอนไหมดูความรู้สึกใช่ไหมแล้วมาดูอันนี้จะง่ายกว่าไหมนะจะตรงกว่าเลยคือจะให้มันแห้งแน่งขึ้นแคจะได้เห็นชัดขึ้นเนี่ยทั้งสองอันมันก็ใกล้เคียงก็แบบเดียวกันใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องผิดใช้ตัว อ, กอักษร คือ ข, ของคู่เนี่ยก็อยู่ที่ความรู้สึกอีกแต่นี้ได้ทั้งสองอันออนี้สมบูรณ์แบบเลยอ่นนี้นะใช่ปะสมบูรณ์แบบเลยถ้าดูความรู้สึกเฉยๆก็รู้สึกอย่างนี้เราไม่รู้เราก็ต้องรู้ทีกทุกข์สุขนะความรู้สึกเป็นทุกความรู้สึกกันสุขก็อยู่เนี่ยแต่นี้เาเห็นมันอ๋ อ, อมันสุขอย่างนี้ทุกข์นี้อย่างนี้เห็นรูปเห็นนาม จะไแยกรวบแยกนาำก็เหมืนเราออกมาเห็นนั่นแหละหรือแยกแล้วเราไม่ต้องไปแยกหรอกเนี่ยที่ที่ถามว่าเนี่ยเอตัวเราตัวเราหรือยังไงอะไรเนี่ยหรือเป็นเรารู้สึกเป็นเราหรือไม่ไม่มีเราะเนี่ยก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันเวลาเราไปยึดมันไปยึดถือเรารู้ที่ว่ามันยึดแต่ถ้ามาเห็นความรู้สึกตอนนี้จะเห็นนดว่าอ๋อมันยึดเาเดี๋ยวนี้เห็นไหมมียึดมีติดไห จิตใจมีหมกมุ่นเกาะเกี jaar, jaar, o, dai, ่ยวดาไล่ว่างจากอะไรถึงจะขณะหนึ่งขณะหนึ่งให้เรารู้จักอย่างนี้เรียนรู้กันแต่พอแป๊กเดียวว่างแป๊กเดีเดี๋ยวเข้าไปก็เลยแต่นี้เราดูเรื่อยๆอี้มันก็ไม่เข้าไปมันก็จะมันก็จะมันก็จะมากเข้ามากเข้าเราก็มงกเพิ่มตรงนี้ความคิดดูความคิดก็คือความรู้สึกเนี่ย ก็รู้สึกรู้สึกอะไรอะไรนั่นแหะรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้นั่นแหะความคิดอย่างนี้สิบกว่าปีนะที่มาบอกนี่สิบกว่าปีนะถึงได้รู้อย่างนี้นะจะบอกให้นะพอมารูตรงนีโ้โอ้อยู่ตรงนี้เองนซีดีไปเปิดฟังก็จะพูดตรงนี้แล้วมานชี้ถ้าไม่เห็นตรงนี้ทําอาเดี๋ยววิธีไหนก็นแล้วแต่ลอยวิธีพัานวิธี มันค้นที่สุดมันต้องรู้ตรงนี้ต้องมารู้อย่างนี้ถึงจะพ้นทุกข์ได้คะับผมพ่อเทียนผมพ่อเทียหนหึงบอกว่าธรรมะมันอ่ะมันมันอย่างเดียวกันนะมันไม่มีอะไรหลายอย่างเราก็ต้องมารู้ตรงนี้นี่พอเรารู้อย่างนี้มันจะไปผิดศีลได้นะต้อรู้ตรงแล้วกะเราไม่เห็ น, นี้มันก็จะผิดศีลรักษาศีลโอ้ดิอยากทำ น, นิบาศ อั น, นี้บอกแล้วก็ไปขม่มกดไว้นะนะอันนี้มันรู้มันจะไม่ทำเองมันจะไม่ทำมันทำไม่ได้เลยไม่รู้จะทำมันทำไมใช่ไ่มเนี่ยมันเข้าไปถึงค า, ามพอดีค า, ามเต็มคว า, ามอิ่มค า, ามพอดีอย่างคนจีงเขาว่าอิม่มว่าอิมม่วงนะ <c oughs> เนี่ยตอนนี้กายทางจดยแล้วไห้บ่ที่วันไหวเอะ ขนมบัวลอยนัแต่คนจีนก็หมายความนี้อีกปีแล้วนะนะกำลังจะขึ้นอีกปงแล้วกำลังจะได้อีกปลงเนี่ยมันแต้มนมยังเดียเคยถามพ่อพ่อคนจีนไคถามไหวทำไมอ่ะนี้ทำนี้มันอ้าวไปงวอีัวเลยเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็งงเดี๋ยวนี้เข้าใจก็มันเป็นปิดศานาธรรม สกอนี้ออเองออกเองยานแจงรู้สึกมีอะไขาดแนะพอดีหมดฮะขาดอะไรนะเกินไหมไม่เกินไ่ขาดพอดีเนี่ยคาว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงพูดนี่นะเนี่ยในหลวงพูดอย่างนี้เนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเขารู้อย่างนี้โลกเมืองไทยนี่นะโอ้ใช่รู้อย่างนี้ทั้งหมดฮ <c> ะ <oughs> กูโดนสมบูรณ์ที่สุดเมืองไทยน่นะแล้วก็ไม่ต้องมาแก่งอย่างจงดีเดี๋ยวนี้เมันเท่าไรก็ไม่พอมันก็วุ่นมันไม่รู้จะเต็มอ่ะไม่รู้จะพอดีนะดูนะดูนะดูอาไม่ดูเยอต่นี่ถาเห็นนี้เราก็ดูแล้วดูลอกใช่ไหะ ดูตัวเราด้วยแล้วก็เคยไปยุ่งเกี่ยวแล้วพอเราดูแล้วก็ออกมาออกมาดูเขาดูตัวเราก็ด้วยแล้วปลอดภัยไหมถ้ารู้มีชีวิตปลอดภัยไหมเห็นฟางปลอดภัยของชีวิตไหมนี่งั้นเป็นอันตรายในชีวิตคนเราไม่รู้ใชงไม่ต้องไปทําอะไรที่ไหนรู้จัก นิดเดียวเนี่ย่พระไตริแดีด 8, 10, 4, 000, มอ่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่พูดใจบแล้วนั่นนะแล้วเรื่อไปอา่านหนังสือมาวานนี่ก็พอมาถวายต้องเยอะถ้ารู้เองเนี่ไม่ต้องไปอา่านมันรู้อยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมหนังสือธรรมะนี่โอ้โหเต็มเต็มโลกเลยนะ คนเราเองทำไม่รู้จากอย่างนี้อ่านไม่ซึ้ซื้ออ่านไม่ซึ้ก็แสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดก็แสวงหาอันนี้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอย่างนี้ไม่รู้ด้วยนะแสวงหาก็ก็อยากจะหาที่มันที่มันดีที่สุดแต่ยังไงอะพวกในถูกข์ความจิงแบบว่าหาโลโก้ละก็หาซ้อนสุกนั่นแหละใช่ไหม แสวงหาความสุขกันแล้วมันพบไหยล่ะพบล่ะแต่มันเที่ยงไหมล่ะไม่รู้อีกว่ามันมีเที่ยงเอหาตอไปไม่ถูกใจสักทีไม่สะใจสักทีสะใจก็แป๊บเดียวเอาเดียวพออยู่และนี่น่าศึกษาจริงๆแลวน้อยคนที่เข้าใจนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากยากน ง่ายๆมันไม่ใช่ยากแต่ก็ไม่ใช่ง่ายมันอยู่เหนื อ, อยากอยู่เห น, นง่ายรู้จักทํานี้จบมันไม่ต้องไปทําอะไรเลยแต่อันนี้หมายถึงว่งาเราต้องปฏิบัติเดินจงกรมสร้างจิตวิากเพื่อจะมันรู้ฟังรู้สึกให้มันเห็นเออเนี่ยได้เห็นได้ฟังม น, นี่เออเนี่ยใช่ไหมเธอไปพิสูจน์เถอะนี้แต่นี้ก็ไปพิสูจน์ใช่ไหมเนี่ย ม, มันเป็นธรรมชาติสักก็เป็นความรู้สึกรูษษษ้เรยๆๆๆๆแล้วมันจะเชนขึ้นเชนขึ้นเชนขึ้น มันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นพุทธเจ้าก็ใช้อย่างนี้ก็มีความเพียรนะก็ต้องดูต้องอะไรอยู่อย่างนี้ดูบ่อยๆมันก็แจ่มแจ้งขึ้นเราดูแท็เดียวแล้รู้เลยเดี๋ยวไปเมื่อเข่าลอยเก่าอีกใช่ไหมเราดูอยู่เรื่อยๆสังเกตอยู่เรื่อยๆแต่มันไม่เรื่อยหระเราก็ต้องเคยใช่ไหม เคยเน้นเคยย้ำของเขาอย่างนี้เรื่องให้มีสติเคยระลึกรู้เคยรู้อย่างนี้ไว้เคยเรียนรู้อย่างนี้ไว้ดูสินั่นเรื่อมีสติที่ขณะที่เราเห็นความรู้สึกนั้นแหละถึงจะเรื่อสติถึงย่าเรื่อรู้สึกตัวมีสติมีสัมผัชัญญยะแล้วพอมีแล้วก็เป็นไปแล้ย้ายมันมียินดียินร้ายอะไรกระทบสัมผัสเกี่ยวข้องอะไรทัวนี้ครับ เคยหมุดหงิดลาทาดังนี้ไม่เราหงุดหงิดลาคาได้ไหมให้เรารู้ตัวได้ก็ค่อยทําได้บางไม่ได้นดใหม่ใหม่มันต้องใช้เวลาหน่อยเหมือนเราชกเหมวยชกไม่เป็นก็ยังถูกเขาชกอยู่เลยใช่มล้ะเราดูไปเรื่อยเราก็จะรู้จักใช่ไหมนี่หลวงพ่อก็สอนหมวยให้จะได้ชกเป็น เนี่ยเรามีโอกาสมากเลยเพราะมันไม่มีคันพระอะไรอย่ ง, งื่นแล้วก็ทํำไ้สักวาสักเออทำทําให้ดีที่สุดคือทําให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าไปมีมันก็ไม่ใจก็ทำด้วยจิตว่างก็ว่างก็หมายถึงไม่มีความหวังหรือไม่หวังไม่ต้องมีแต่รู้อะไรเป็นอะไรให้มันเป็นไปยังไงก็รู้ว่าทําว่าทําให้ดีที่สุดก็ต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีท้าขายแล้วต้องมีกําไรไม่ใช่นะ เดี๋ยวะไรแต่วาจิตไม่ยึดถือนะก็ต้องทําไปตามหน้าที่ของโลกโลกเขาต้องทําอ่ะมันแล้วก็เพื่อไม่ทุกข์ถ้าเราทําอะไรไม่ถูกต้องก็จะมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็บอกม่นอย่าไปยึดถือโอ้ไม่ได้หรอกใช่ไ่มมันต้องทําให้มันถูกด้วยอ่าพูดถูกคิดถูกทําถูกด้วยอย่าไม่ยึดถือ ง่ายขึ้นนะเนี่ถ้าเห็นได้มีดวงตาเรื่องมีดวงตาเห็นธรรมนี่จิตก็หยุดอยู่พักอยู่ไม่ต้องมีความคิดความเห็นให้มีแต่ความรู้รู้ก็เห็นแต่ไม่ใช่คิดเห็นเราไม่เห็นความรู้สึกนะ่ะมันจะคิดเห็นถ้าเราเห็นคามรู้สึกมันเป็นคามรู้ความเห็นฟังให้ดี นะบางทีเนี่ยมือแยกไม่ออกเอ๊ะนะก็อย่าไปคิดอ่าไม่คิดได้ยังไงใช่ป่ะก็ะต้องใช้ปัญญานั่นเองความคิดใช่ไหมแต่มันพูดไม่ถูก <c oughs> ย่งคิดคิดคิดแต่คิดไม่ออกเลยยิ่งคิดยิ่งมืดเดยยิ่งสับสนใหญ่เลยทุกแหละ น, นี่รู้มาเดี๋ยวนี้จิตใจพอวางมองเห็นอะไรมีอะไรไหมมีปัญหาที่ไหน ที่บองใหย่ตงนี้ย่เียไม่มีแต่อย่าเลือนวันนี้นะเขาเลือวันนี้ก็อย่งางเก่าอีกนะงเกิดเอเอามาอีกทีหลังนะนี่าอนี้อิสลาเยอะอีการงา น, นถือเป็นงานดีเลกแต่นี่งนานหลัก ใช่หมลวงพ่อปฏิปัตษมาอย่างนี้จริงๆนะหามาค้าขาย้วขายไปทำทำไม่ดีที่สุดจิตใจนี่เรียนรู้เรื่องจิตใจไปเรืๆๆ่อยๆโอ้โหใช้เวลามานี่สี่สิบปีแล้วนะกว่าจะมารู้อย่างนี้ลมลุกคลานมาพอนนโอ้ถ้ายาวชีวิตไม่รอดนะ เราต้องการจะทนทุกข์มันยิ่งทุกข์หนักแตนี้ไม่ต้องมีว่าต้องการไม่ต้องการพอรู้ความจริงโอ้อย่างนี้เองชีวิตเปนอย่างนี้โลกก็อย่างนี้เราต้องอยู่กับโลกอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไรล่ะดูเฉยเฉยเนีเหมือนเต่าอ่ะอยู่ในกระดองหดหุวหดหัวหดหางหดขาเข้าอยู่ดูเฉยเฉย ดูฟวามเป็นไปเห็นความเป็นไเดีนะอบอุ่นนะนะดูสิทำเหมือนกับเตาอยู่ในกระดองใช่ไจิใจอะใช่ไมไม่เอาแล้วมันโอ้ชวยุ่งไายฟ้านะมืนก่อนรถไปจำทางดิอย่าเห็นไม่บอกอย่ายื่นอย่ายื่นหัวอย่ายื่นหัวยื่นแขนออกนอกรถ หขาดขนขาอันนี้ก็มาอันไหนก็ขาดจริงๆด้วยใช่ไหมอันนี้ก็มายถึงอนี้ถ้าเราดูตัว้ราดูดูดี ใ, ใจเฉยๆไหมอย่าวิพาควิจารณ์อย่าไปตำหนิเดียนอย่าไปลบหลู่ดูถูกใครนั่นแ่ละคือยืนขา ย, ยืงขาออไปแล้วน ะ, นะมันจะไปลบหลู่ดูถูกใครเห็นคนดีคนชั่วไงดูเฉ ย, ยๆโอ้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขา อย่างนี้มันจะไม่ไปรังเกตยใครเลยอยู่คนบ้าก็ได้อยู่คนเมาก็ได้ใช่นะก็ <c oughs> ม่เห็นความจริงจบจบแล้วนะนี่ไรจจบน <c oughs> ี่ถือว่าโชคดีรือว่ามีบุญนะที่มานี่น้อยคนที่มาที่นี่นะบาคนกระทุกมากเขาวุ่นวายมากเขาฟังขาฟังไม่ไดนะ้มีอย่างมากเาอาของมาถวายถวายก็รีบไป ที่เราพูดอย่างนี้พูดสิ่งที่เป็นสาระให้ฟังเขาเขาไม่มีเวลาฟังเขาไม่รู้จักเยอะเยอะมันมีอะไรให้เราสุขสาหมดในทั้งโลกพุทธลมหายใจเขา้าไปดูที่อะไรเป็นอะไรดูความรู้สึกเราจะเห็นหมดมไมันจะไปใช้ความคิดอะไรเห็นได้รู้ได้